أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل ัล ل م ฮฺอัลลอฮ م อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ن ฺอัลลอฮฺอัล ا อฮฺอั ت ลอฮฺอัลลอฮฺอัล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั و َล ح อ ل ฺอัลลอฮฺอัลลอฮ ق อ ل ลลอฮ ن อัลลอฮฺอัล ع ل م ฺอัล ي อฮฺอ م ا ลอฮ ن อั م ลอฮฺอัล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ ر อ ن ا ลอฮฺ ا ัลล س ฮ ن อั ن ลอฮฺอ ر ล ن อฮฺอัล ن ا م ن อั ن ن อฮฺอัลลอฮ ن อั ن ي ي ا อฮ ن ا ัลลอ الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى سوره الزمر ونرجع عن آ ي 41นอิน شاء الله <تصفيق> لا إله ا ل ا الله. ا ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. إن เรา ا ด้ให้คุณได ل รับการอ่านบทสวัสสวัสสวัสดี ดَ่งหลัِง فإنما يضل عليها وما أنت ع ل ي ه ِ بوكيل ข้ ل ه ุยกระฟ่เหล่าฟุสะพีน والتي لم ت م ت في منامي في منامي ฟื้นศึกุลท่ قضاءعليها الموت ويرسل ا ل ُ خ ر ي ن إلى أجل سما อ ن นِ ي ทَ่กาลคَละอายาต์ลิ قوم ٍ يَتَفَكَّرُونَ กาลَ์ละอายาต์สักโรَ อัลอาวโล่แค่นูลายไม่ลคนชียอมวลายขลล ชั่วฟ جميع า لهوملك السماوات والاب ثم إ ل ي ترجع <ت ص في ق> وإذا قرَّ الله وحده إشْمَأَزَتْ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ ب ِ ا ل آ <ت ص في> ق ِ ر ا <ت ص في ق> وإذا ذ ك ر ا ل ذ ي ن من دونه إذاهم يستبشرون <تصفيق> الحمد لله ما شاء الله سورة الزمر เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นซุรอกเนื้อหาของมันเนี่ยอย่างที่เราได้กล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าวนเวียนอยู่กับประเด็นเรื่องเต้าฮีเตาวฮีดุลอุลฮีะการที่เราจะต้อง ให้ความเป็นเอกภาพของเรื่องราวต่อ Allah سبحانه และ ت ع ا ل โดยที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเตาฮีที่เราต้องให้กับ Allah ไม่ว่าจะเป็นเตาฮีรูปบุพย์ที่จะนําไปสู่เตาฮีอูลูอิยะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอัลกุรอานอัลกุรอานเป็นศูนย์กลางแห่งทางนํา ที่จะนำมนุษย์ไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอ์อย่างถูกต้องน่าทึ่งตรงที่ว่าตั้งแต่ต้นซุราะจนถึงอายะที่เราอ่านเนี่ยยังเป็นเนื้อหาเดิมแตนหลากหลายมากหลากหลายรูปแบบหลากหลายมิติหลากหลายประเด็นแต่เป้าหมายก็คือนำไปสู่ตรงนั้น ต้องการที่จะบอกกับเราต้องการที่จะเน้นกับเราว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานเถออัอลกุรอานนี่แหละที่จะนำความจริงมาให้กับพวกเจ้าอัลกุรอานจะทำให้พวกเจ้ารู้จักอัลลอฮ์สู่การเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่ถูกต้องด้วยเตหีบุบิยะด้วยเตหีอุลูฮียะ และระวังการชิริกนี่คือคําพูดที่เราได้ยินจากโซลอนี้ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งเราเป็นถึงนีก็ยังเป็นเรื่องราวนี้อยู่มาวันนี้มาดูกันว่าประเด็นเนี่ยประเด็นเรื่องอัลกุรอานประเด็นเรื่องเตาอีทเนี่ยจะนําเสนอในมุมมองยังไงอายะที่สี่สิเอ็ดละตัลลาบอกว่าอย่างไงอินน์อนซัลนะอัลัยกะลกิดะบาลินนัสบิลฮะก็อันน้นนี่พระองค์บอกว่า ว่าอ ل านอะไ ا นะอ้ายย์อ้ายย์ก้อนน ر ้นี่ก ا อยู่ในอัลกุรอานที่เราเล่าตัِ้แต่พระเบบีَว่าเราได้ยกข้อเท็จในอัลกุรอานในทุกๆเรื่องพอมาถึงอายย์นี้อิ ز َ ل ْ ن َ ا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ ب ِ ا ل ْ ح َ ق ัّ เราได้ประทานอัลกุรอานมาให้กับเจ้าอ้โมฮมัดเพื่อไปทําอะไรเพื่อให้เป็นบอกกับมนุษย์ชาติด้วยความจริงเราได้ประทานคำพิเศษเจ้าอ้โมฮมัดเพื่อมนุษยชาติลงมาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดไม่ได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดเก็บเอาไว้นะให้ไปบอกใครให้ไปบอกมนุษย์ทั้งหมดด้วยสัจธรรมด้วยความจริงเอย่างเป็นพักตรอัลกุรอาน ไม่ใช่สิ่งที่ท่านนาบีคิดค้นขึ้นมาเป็นเรื่องปลอมไม่ใช่หลายคนชอบอ้างว่าอัลกุรอานเป็นคนที่ไม่เข้าใจนะยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับที่มีความรู้สึกว่าคำพีอัลกุรอานก็เหมือนกับคำพีในศาสนาอื่นๆคำพีในศาสนาอื่นๆเนี่ยคนที่คิดหรือว่าคนที่ ต้นตอของคำพีเนี่ยมันมาจากมนุษย์มันมาจากการเขียนของมนุษย์ทีนี้พอมาถึงของศาสนาอิสลามเนี่ยคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาก็จะนึกว่ามันแตกต่างอะไรกับคำภีของศาสนาอื่นเข้าใจว่าเป็นคำพูดของใครของมุฮัมมัดเหมือนกันเข้าใจว่าเป็นคำพูดของศาสดาซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นอัลกุรอานไม่ใช่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัด อัลกุรอานไม่ใช่คำพูดของมนุษย์อัลกุรอานเป็นการถ่ายทอดของนบีมูฮัมมัดสลลลจากคําพูดของใครของพระผู้เป็นเจ้าลงมาผ่านท่านนาบีมูฮัมมัดแต่ไม่ใช่คําพูดของมูฮัมมัดอิสลามมีการจําแนกแยกแยะอย่างชัดเจนอันไหนที่เป็นคําพูดของ Allah เราเรียกว่าอัลกุรอานอัลกิริอันไหนที่เป็นค الله, าําคพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดเราเรียกว่าอะไร ฮัดีษอัลฮัดีษหรืออัลสุนนะอ่านี่เราต้องมีนะมีคือจริงๆแล้วเวลาที่เราสอนอย่างงี้เนี่ยจะมีพี่น้องบางส่วนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาคอมเมนตทท์ย้อนหลังกลับไปดูเออใช่เขาไม่มีความรู้สึกเข้าใจว่าอัลกุรตานนี่เป็นคำพูดของของมุฮัมมัดซึ่งเราต้องเน้นยา้าตรงนี้อีกทีหนึ่ง จะพิส you know I mean? ูจน์ย the er ังไงว่าอัลกุรอานไม่ใช่คําพูดของมุฮัมมัดอ่านนี้เราว่ากันเรื่องนั้นอีกที่หนึ่งหรืออาจจะไปฟังที่เขาบรรยายเรื่องนี้ซึ่งมีเยอะแยะแต่ขอประกาศอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ว่าอัลกุรอานุทการีมไม่ใช่คําพูดของมนุษย์มาจากอัลลอฮ์อินนาอัลซัลนาอัลเลกะมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประทานลงมาให้กับเจ้าอูมุฮัมมัดลินน่าสิล้วมุฮัมมัดก็เอาไปบอกไปพูด ไปไปแพร่กับคนอื่นเปด้วยความจริงด้วยสัจธรรมไม่ใช่คำพูดที่ว่ามัคิดขึ้นมาเองตามความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ละอิลฮะอิลัลลอฮนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอัลกุรอานเป็นสุนกลางแห่งทางนำทางนำมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งอัลกุรอานลงมาให้เป็นทางนำของพระองค์าแมนด แฟรนะีนัฟซีนะใครก็ตามที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องเอตเดาหมถึงว่าได้รับอิดาย์ได้รับทางนําจากไหนจากอัลกุรอานอัลกรุรอานลงมาแล้วบางคนใช้ประโยชน์จากอัลกรุรอานถามว่าเวลาที่มนุษย์ฟังอัลกุรอานเรียนอัลกรุรอานประโยชน์จะขึ้นกับใครประโยชน์จะได้ที่ใคร ได้กับคนที่เรียนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์เราก็ต้องเรียนจากอัลกุรอานรแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์กับเราง่ายๆนะไม่ต้องมีตักกะอะไรซับซ้อนว่ามัน ضل แลเเินนไม่จะดิลุัลเส่วนคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานคนที่ไม่เอาอัลกุรอานคนที่ไม่เอาทางนำจากอัลลฮฺซุบฮานเตาล เวลาที่เขาประสบกับความโชคร้ายเวลาที่เขาต้องเจอกับปัญหาหนู่นนี่นั่นแล้วหาทางออกไม่เจอมันเกิดขึ้นกับใครมันก็เกิดขึ้นกับเขาเองโทษที่จะได้รับใครเป็นคนได้รับโทษเองเขาเป็นคนทำตัวเองเพราะฉะนั้นอัลกุรอาน ล, ลงมาแล้วยึดขึ้นอยู่กับเราถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์เราก็ต้องขวนขวายไปศึกษาแล้วก็เอามาใช้ นะยนนาขวัญนี่ลัลลุุมมยกรนอออลาาบกทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์อิจด้ใช้เป็นบทเรียนถ้าคนที่ไม่ได้เอาอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตก็คือเข้าไม่ได้บทเรียนนะั้นไม่มีทางออกให้กับปัญหาที่เขาต้องเจอต้องคลําต้องหลงทางด้นล้ตรงนี้ก็คือหลงทางเพราะไม่ได้เอาอัลกุรอานใครเป็นคนที่หลงตัวเขาเองนั่นแหละที่หลง نعوذ ับิ ل ل ه وما أنت عليهم بوكيل مه الله تعالى بواء وما أنت محمد เจ้าเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เกินไปจากที่เราให้เจ้าทำเนี่ยเราต้องย้าหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดตรงนี้นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซลลัมรัอัลกุรอานมาจากอัลล์ลอมาบอกอมาบอกอมาพูดอมาบอกหลังจากนั้นหมดหน้าที่ของท่านแล้ว ใครจะรับใครจะไม่รับท่านนาบีต้องไปขู่เข็นต้องไปบงังคับไหมไม่มีแล้วถ้าสมมตินคนที่รับท่านนาบีมี ม, มีมีสิทธิในการที่จะให้รางวัลไหมให้ผลบุญไหมไม่มีหรือคนที่ไม่รับคนที่ปฏิเสธท่านนาบีสามารถที่จะไปลงโทษหรือจะไปให้ไม่มีไหไม่มีแล้วแตเมื่ออัลกอะลห์ฮินบิวะคี ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านสุลา ม, มไม่ได้เป็นผู้ที่มารับหน้าที่เป็นตัวแทนจากละตารในการลงโทษมนุษย์หมายถึงว่าหมายถึงว่าสําหรับคนที่นะได้รับอิดายัก์ไปแล้วละตาลาให้สิทธิ์กับท่านนาบีมุฮัมมัดจะทําอะไรก็ได้เหมือนกับที่พระองค์จะทําไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวแทนในแง่นี้เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในแง่ของผู้ที่เอาอิดายัก์มาเผยแพร่ แต่ไม่ใช่ตัวแทนของ Allah ในแง่ที่เอาอํานาจของพระองค์มาญชาไม่ใช่ยกเว้นนะครับในกรณีที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติต่างๆพุกรมพกรรมต่างๆที่จะต้องทําตามที่ Allah ลอ า, อาสั่งอานนั้นโอเคใช่แต่ในแง่ที่ว่ามีสิทธิ์มีอํานาจในการที่จะทรมานลงโทษไม่ใช่นะครับไม่ใช่สิทธิของการเป็นพระเจ้าไม่มี สิทธิของการเป็นพระเจ้าเป็นสิทธิของ a l l เพียงพระองค์เดียวอันนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่ามาอ่านอะไรทีมีว่ากี้ใน تفسير วะยังไงไม่ไม่การที่ท่านนบีจะมาบันทึกห้องคนนี้ทำชิริกอีกครั้งทำบุกบอีกครั้งแล้วก็บรรทุกก็มาไม่ใช่นะอันนั้นเขาจะไปรับเองเจ้ลอกแต่ล นะครับวตาจะบีร์ห์มอ่ล่ามันต์จะไปบังคับก็ไม่ได้นะครับไม่เอานะ عليهم บิวอาคีลมันมีเชิง อ, อัดอยู่ข้อสองลองอธิบายลองอา่านเชิง อ, อัาน ด, ดูก็ได้นะครับที่บอกว่าในอายัดนี้เนี่ยเป็นการปลอบใจท่านนาบีสุลต่ามก็คือการที่การชี้แนะพวกเขา ไม่ได้อยู่ของท่านในมือของท่านอะบีหมายถึงว่าท่านอะบีเองเนี่ยเวลาที่ท่านบอกกล่าวเกี่ยวกับเตา่าฮีเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยท่านเองก็ไมหน้าที่อแคพูดอย่างนั้นไม่มีไม่มีอํานาจที่จะทำให้คนคนนั้นเชื่อฟังเหมือนกับแต่เราจะใช้คําเปรียบเทียบอะไรดีเหมือนโดนสะกดจิตแล้วก็ทําตามทุกอย่างโดยที่ไอ้คนตามมันทำขยับขยืนไม่ได้ไม่ใช่นะครับคนตามเขามีสิทธิ์ของเขาเอง ถ้ามันชัดเจนแล้วพูดชัดเจนแล้วอธิบายชัดเจนแล้วปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาจะตามหรือไม่ตามแล้วถ้าเขาตามอาลัลตัลลาก็าจะมาจัดการนั้จากนั้นถ้าเขาไม่ตามอาลัลตัลลาก็าจะเป็นผู้จัดจา ก, การเองท่านมีบทสิทธิ์แล้วตรงนี้จบละอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺยังคงยืนยันชัดเจนในประเด็นที่ว่าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮฺขีดายตก็มาจากอัลลอฮฺ ท่านนาบีสุลต์ละัลลัมเป็นเพียงรอซูลผู้นำสารจากอัลลอฮ์นี่มาแล้วก็มาให้มนุษย์ได้ได้เลือกว่าจะเป็นผู้ที่รับอิดายัหรือไม่รับอิดายัและหลังจากนั้นก็เป็นงานที่ของอัลลอ์ต่าลาต่อว่าพระองค์จะให้ผลตอบแทนอย่างไรหรือจะลงโทษอย่างไรดังนั้นให้ยึดอัลลอฮ์เป็นหลัก ให้ยึดทางนำของ a ล l a h Subhanahu Wa Taala เป็นหลักนะครับท่านนาบีมีบทบาทของท่าน เ, าเวลาที่เราบอกนี่ผมเองก็งกลักวจะเข้าใจผิดเวลาพี่น้องที่พี่น้องฟังอย่าเข้าใจผิดนะเราไม่ได้มาบอกว่าอาอะไรนะอที่บอกว่าท่านนาบีมีหน้าที่ของท่านก็คือมีหน้าที่ในกรอบที่ Allah Subhanahu Wa Taala กำหน ด, ดมาให้ท่านทาหนะ้าที่ในการเผไดรรมะ ในการาเปิดใจนูน่นนี่นั่นอยู่ในมือของ Allah ไม่ได้อยู่ในมือของท่านนบีท่านนบีมีหน้าที่ในการอิรลิษะเดฮิดายะของท่านนบีก็คือฮิดายตุลลิรลิษะดอนะไม่ใช่ฮิดายะตุลทูซีตหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจประเด็นนี้นะครับทีนี้นะอัลกุรอานเป็นศูนย์กลางทางนําที่จะให้มนุษย์นั้นได้รับเตา้าฮีจาก Allah ในอายะต์ต่อไปพระองค์ก็ยกประเด็นที่จะเป็นหลักฐานหลักฐานนี้เกี่ยวข้องกับเตหิดที่เราเรียกว่าเตาฮีดอุรบุบิยะเตหดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของละตอลลาในการที่จะจัดการกับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้โดยที่พระองค์ยกตัวอย่างตรงนี้เกี่ยวกับเรื่อง การทาให้มนุษย์เสียชีวิตการทาให้มนุษย์เกิดการทาให้มนุษย์เสียชีวิตการประทานริสกีอันนี้เรียกว่าตวดุบบบยะเป็นการประทาของ ه ะอยนนี้เป็นตัวอย่างนะครับละตอ๋ลาวยงไงย ทีมันไม่หาอัลลอฮ์ทรงปลิดชีวิตแต่ละคนเวลาถึงเวลาของมันเนี่ยพอถึงอายุไขเนี่ยอาละตาก็จะเอาชีวิตของเขาไป น, นไี่นะมูติฮะหมายถึงเมื่อถึงเวล า, วาแล้วพระองค์ก็จะเอาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตายจริง นะยังไม่ตายและชีวิตที่ยังไม่ตายในขณะที่มันนอนหลับยังไงนะอันนี้แหละที่อุลามะเขาอธิบายว่าการนอนหลับเนี่ยคือพี่น้องของความตายในภาษาอาหรับใช้คำว่าอัลเมาตุสุกระความตายมีสอนความตายตายเล็กกับตายใหญ่ ตอนที่เรานอนหลับเราไม่รู้ตัวอะไรเลยหนีถามว่าเรารู้สึกอะไรบ้างอะรู้ไหมตอนที่เราตายอาจจะอ่ะก่อนที่จะฝันก็แล้วกันหรือแม้กระทั่งตอนที่เราฝันเราอยู่ในอาการที่เราหลับสนิทเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนเอาจริงเราไปอยู่ที่ไหนร่างกายอาจจะอยู่กับที่แต่วิญญาณเราอยู่ที่ไหนอ๋ลเราอะไรเพราะฉะนั้นอุลามะเลยบอกว่าการนอน ไม่ใช่อุลมามะละเป็นของท่านนาบี ص ล ى الله ع ل มันเป i s ที่เด่นมี hadis อยูุ ARY bukhari ya m s นะครั บ, ح ح บ, บ, รบเป็น hadis ที่พูดถึงด ع อของคนที่กาลังจะนอนซึ่งจาก hadis บทนี้และจากอายัดนี้เนี่ยอุลมามะมาอธิบายว่าความตายมีสองแบบตายเล็กกับตายใหญ่ตอนที่เรานอนก็คือการตายเล็กท่านนาบี صلى الله عليه و م พ่าห น, นอน إذا آ ى أحدكم ا ش ه ف ل ي ن ف ض ه بداخله بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه ما خل ما خلفه عليه، ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبك عرفع، إن أمسكت نفسي فرحمها، وإن أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. เวลาที่เราแต่ละคนจะนอนเนี่ยท่านนบีบอกให้ปัดหรือให้สะบัดผ้าห่มก่อนให้สะบัดผ้าห่มก่อนนี่เป็นมารยาทในการนอนสุนนะของท่านนบีเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าในผ้าห่มมันอาจจะมีสัตว์มีแมลงมีอะไรอุฮามละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยอดีตสมัยอดีตเนี่ยบ้านเรือนไม่ได้เป็นบ้านเรือนแบบปัจจุบัน บางทีอาจจะนอนบนพื้นอาจจะนอนบนไม้อาจจะนอนบนอะไรเห็นไหมบางทีนอนเลอะๆไม่ได้ปัดอะมีอะไรมีไอตัวอะไรนะไอเออมีไอตัวแมงป่องหรือมีแมงสาหรือมีอะไรก็ว่าไปแต่แม้กระทั่งในบ้านปัจจุบันนี้เองว่ามีมันมีอะไรใช่ไหมสุ น, นัขของท่านนบีให้ปัดให้สะบัดไม่ใช่ปัดให้สะบัดไม่ใช่ปัดนะปัดนี่คนละเรื่องกันให้สะบัดได้ซ้ําไป ลยุบิดาเคลติอิารีเพราะเขาไม่รู้จะเจอกับอะไรในผ้าในผ้าของเขาหลังจากนั้นให้อ่านอานอย่างไรบิสมิกอรับบีวาดะตุจัมบีด้วยพระนามของล l l a h ฉันขอวางจัมบีก็คือวางวางลำตัวในการนอนวกะอัลฟะละด้วยพระนามของ Allah ที่ฉันยกตัวขึ้นตอนที่ฉันตื่นขึ้นมา อินอัมสักตะนัฟซีฟารฮัมฮะถ้าพระองค์จะยึดวิญญาณของฉันในค่ำคืนนี้หมายถึงว่าถ้านอนไปแล้วเนี่ยวิญญาณไม่กลับมาวิญญาณไปแล้วไปเลยขอ Allah Taala ช่วยเมตตาวิญญาณของฉันด้วยอ่าอ uh. ินอัรซัลต์เธฟะฟัฎฮะถ้าสมมุติว่า Allah Taala ปล่อยวิญญาณของฉันกลับมาให้ฉันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอีกครั้งหนึ่ง ขอพระองค์ดูแลมนด้วยสิ่งบิดาของมนุษย์ทำให้เราอยู่รอดอ่พระองค์ทรงดูแลบาวที่ซอนลขอพระองค์เพราะฉะนั้นดูอาบทนี้เนี่ยมันย้ำกับเราตลอดทุกครั้งเวลาที่เราจะนอนนอนด้วยการระลึกถึงความตายความตายที่ยิ่งใหญ่แตะอัุตรา วัฟั ا e <c oughs> ุลมอดเรือวัฟ La ัตุลคุประเรือวัฟัตุลมอดอัลสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยอำนาจของใครอำนาจของอัลลอฮ์พี่น้องครับเราตายทุกคืนอ่าบิสมิคัลลอฮ์มิ do อาอีกบทหนึ่งสั้นๆที่เราสอนเด็กๆบิสมิกัลลอฮ์ม์ะอามุตุอ่านแป๊บครับอบิสมิคัลลอฮ์ม์ะอามุตุว่าอ حيا ดูอะไร ดูอาตอนนอนด้วยกระนางขลกที่เราตายและเราตื่นพอเราตื่นนอนขึ้นมาก็มีดูอาตอนตื่นนอนอีกอัลฮัมดุลิลลาฮิลลัอะยานะบดมอามาตนอิลัฮิอิฮินชูสุบฮานลอหนี่เราตายทุกคืนนะใครที่อยู่กับสุนนะของท่านนบีสละสลัมก็จะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตอนที่เขานอนเนี่ยกาลังตายเล็กๆอยู่วล ให้วิญญาณของเรากลับมาในตอนเช้าเป็นความสามารถของพระองค์ถ้าพระองค์จะเอาเรากลับไปเลยเนี่ยเป็นยังไงก็ได้ละอิละฮะอิละลลอฮฺฝยุมซึคุลที่ قضاء ะเลยะะโมวยุรุสลุลอัคราอิละะจเลนมุซัมมาเพราะฉะนั้นชีวิตไหนที่ถึงเวลาพอเรานอนกลางคืนพระองค์ก็จะรับไปหมดมีไหมคนที่นอนตายไม่มีไนะยังไง แล้วก็อาจจะเป็นเราด้วย أستغفر الله لا إله إلا الله เพราะฉะนั้นต้องนึกถึงอายะนี้หมายว่ายรุศนุลอัครา إلى أَجَلِ م ُ س َ م َ ا ل َแล้วก็ส่งคืนกับสำหรับคนที่ยังไม่ถึงเวลาอินนَّ فِي ذَلِكَ ل َ أ ي َ ا ت ٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ทั้งหมดนี้มีเครื่องหมายสำหรับคนที่คิดใคร่ครวญอัลลนี่คืออัลกุรอานพี่น้องครับ อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องเล็กนะการคิดถึงความตายแม้กระทั่งการนอนหลับก็มีบทเรียนให้เราได้ใกล้ครวนด้วยไม่รู้ว่าตอนที่เรานอนนี้เราคิดเรื่องอะไรบ้างให้คิดเรื่องนี้ด้วยนะอย่าคิดในเรื่องอื่นคิดถึงเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดแล้วและเป็นสิ่งที่อัลกุรอานก็บอกให้กับเราอะ ด, ดีสก็บอกให้กับเราเราไม่คิดถึงมันเลยมันไม่ไดนะ้ต้องคิดถึงมันบ้างเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องจากโลกนี้ไป นี้พอพูดถึงตอีรูบูบิยะเสร็จแล้วเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นถึงความสามารถของละตัลลาต้องยอมรับว่านี่เป็นความสามารถของละตัละะลาจริงๆมนุษย์เองไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธอำนาจที่ อ, อัลลอฮ์ได้เลยตอนที่เรานอนเราจะปฏิเสธอัลลอฮ์ละตัลาได้อีกอะไรได้อีกเราจะองครักษ์จะเอาไปเราจะทําอะไรได้อีกอย่าบอกว่าโอ๊ยคนเดียวอยาอกเอาอยากเอาได้ไหมไมีรู้ตัวจะไปบอกยังไงคนที่จะตายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปทักทวงอะไรกันที่จะมารับเป็นญาติของเขาได้ไหม แสาเราไม่มีอำนาจเราจะตายตอนไหนเป็นตอนไม่มีอำนาจไม่นี่ไม่ได้อยู่ที่เราและไม่ได้อยู่ที่มัคลุบอื่นด้วยสมมตุติอัลลอฮฺจะเอาชีวิตเราตอนนี้คนคนนั้นเป็นคนที่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เขาชีวิตเนี่ยจะมาช่วยทัดทานอัลลอฮฺได้ไหมก็ไม่ได้อำนาจนี้เป็นอำนาจของพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ในเมื่อเรายอมรับในอำนาจรูบูบียว่าเป็นของลอตลาเพียงเราองเดียวแล้วดังนั้นเวลาที่เราขอเวลาที่เราอยากได้เวลาที่เราอยากนู่นนี่นั่นเราก็ต้องมอบอูลูฮีย์กลับไปที่อัลลอฮ์เนี่ยรูบูบียเรายอมรับแล้วทําไมถึงไม่ยอมรับอูลูฮีย์ก็อายะที่สี่สิาอามิตะฮะดูมินดูนิลลาฮิชุฟะะฮ์อุลลาอุนันเนี่ย ไม่ใช่พวกเจ้านั่นเป็นว่าหรือว่าพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์มาเป็นผู้ให้ชัฟนสัตว์เห็นไหมพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อสิ่งที่เขาชีริตมีแหละที่เราเรียกว่าหรื อ, อพฤติกรรมของมนุษย์ที่เขาปฏิบัติต่ออัลลอฮ์คือเตาะหิดอุลุคีย์สิ่งที่อาตัลละทำกับเราเราเรียกว่ารุบูบีย์ สิ่งที่เราทํากับ Allah คืออูลุเอียคือเตั๋วฮีอูลุเอียที่เราต้องมอบให้กับพระอาในเมื่ออ l l a h จะรับมีอํานาจเป็เสร็จกับตัวเราแล้วทําไมเราถึงไปให้อํานาจหรือว่าให้สิทธิเนี้กับสิ่งอื่นอนอกจากอ l l a h ทั้ง ท, ทั้งที่เรารู้ว่า a l ล a h จะรับมีอํานาจทุกอย่างแต่เรายังไปขออํานาจจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ a ล l a h ของเราละนะ อัมิถ้า خذو من دون الله شفاعة كل لون ไปคว้าจากสิ่งอื่นชั่ฟะคืออะไรครับชัฟะชัฟะคืออะไรเคยได้ยินไหมชัฟะในวันอัคราในวันอัคราเนี่ยในวันอัคราใครจะม่ชัฟะเราชฟะนีมีหลายแบบมีชัฟะตุลุ布拉 ช فاء ะแบบใหญซึ่งอันนี้เนี่ยอัลลอลาจะให้กับท่านนาบีสุลต่านละเียนคนเดียวชฟา ء ะกุบร้อนนี่เกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่มนุษย์อยู่ในทุ่งมัชชับรอว่าเมื่อไรอัลลอลาจะเริ่มการพิาพากษาสักสักทีหนึ่งรอตั้งนานละไม่มีใครกล้าไปพูดไม่มีใครกล้าไปถวายไปทูดไปพูดไปเจราจากับอัลลอลฺ ตางคนต่างอยู่ในสภาพหวาดกลัวประชาชาติทั้งหมดประชาชาติต่างๆเอา้าเดินไปหานบมอาดัมขอให้นุมอาดัมเริ่มพูดเพื่อที่จะได้เรื่าาองการพป็นข้ายังไม่รู้นะว่าตัวเองจะเป็นชาวนารกชาวสวรรค์ขอให้เริ่มก่อนนี่เพราะว่าสภาพมันน่ามันไม่ไหวแล้วมนันอึดอัดเต็มที่แล้วอาดัมก็ไม่รับนับซีนับซีให้ไปพูดกับอิบรอฮิมนับซีนับซี สุดท ah um hey ah. ah ้ายไปพูดกับท่านนบีุลตล้วท่านนบีบอกว่าฉันเองท่านนบีก็เลยไปอยู่สุ j ูตอนน้อัลลซุลมานะวะตะละายังนานแล้วก็ขอดะอาลลจนกระทั่งอัลตะลาให้ท่านลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าขอมาเถอะจะขออะไรฉันจะให้นั่นแหละคือฟา faat alqubro ที่ท่านนบีนั้นมอบให้กับประชาชนทั้งหมดนี้ด้วยการทาให้อัลตะละด้วยการไปขอให้อัลลอฮฺซุลานะอัตะลเริ่มทการ สอบสวนหลังจากนั้นก็มีช่ฟะต์อื่นๆอีกเรื่องชาฟะต์มีเยอะแต่ว่าไอช่ฟะต์ตรงนี้นะที่ท่านนาบีขอที่เป็นช่ฟะต์ในวันอาขิเราะคนที่เป็นมุชริกีนเขาจะไปขอช่ฟะ์พวกนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกภุมิาไปขอกับอะไร ไปขอกับส <iber> <ven> <divorce> ิ่งที่ตัวเองเคารพบูชาทั้งหมดนี่แหละ360ตัวที่อยู่รอบรอบกามะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาไปขอไปขอชาฟัดซึ่งการชาฟัดเหล่านี้ถามว่ามีสิทธิ์ไหมไม่มีไม่ได้มีสิทธิ์นะครับไม่ได้มีสิทธิ์ Allah บอกว่า قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يأكلون جن قرآن محمد ว่า สิ่งต่างๆที่พวกเขาขอชฟาตกันอยู่นั้นลอะย่งมือพวกนนะช่ไหมไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรนะเป็นเจ้าของตรงไหนก็บเบอร์มนุษย์เป็นผู้สร้างมันเองแล้วมหสิ่งที่มนุษย์สร้างมันเป็นเจ้าของแล้มันสับมันสับสนอยู่ในตัวมันใครเป็นผูส้สร้างมนุษย์เป็นผูส้สร้างสิ่งที่ตัวเองเคารพแลพ้วพอสร้างเสร็จก็ให้นั้นแหละมาเป็นว่าเป็นเจ้าของคนสร้างอย่างไงอ่ะ <c oughs> ไม่เคยมีคนอะไรพวกมันไม่ได้มีอํานาจใดๆ و ล ا يعقلون แล้วอย่างก็แล้วพวกมันก็ไม่ได้มีไม่มีสติปัญญาด้วยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยกับเขาเลยแล้วเราจะไปขอชบาจากพวกมันได้ยังไงนะ سبحان الله ละตัลลาก็บอกอีกนะครับเพื่อเป็นการตอกย้ําว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมอบให้กับอัลละตัลละเพียงพระองค์เดียว กล ل หลั <urt ri> ่นแล عة จมี عة กล่หลั عة จมี عة จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดการชฝา عة และการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นสิทธิของอัลลตาอลเพียงพระองค์เดียวโดยสิ้นเชิงจะไปขอจากสิ่งนั้นทาไมไม่มีไม่ต้องขอ له ملك السماوات والأرض ซุมมาอิเลยฮิตูรจาวพระองค์คือผู้เป็นเจ้าของอำนาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินซุมมาอิเลย์ฮิตูรจาวไลายัลลอฮทุกชีวิตพวกเจ้านี่ก็จะกลับไปอย่างอัลลอฮเราลองคิดดูประเด็นนี้ดีๆประเด็นที่อลัอลลอฮฺตาัสบอกว่าอัลลอทรงสิทธิ์ในอำนาจขั้นปวงเวลาที่ทุกคนเชื่ออย่างนี้เนี่ย แล้วมันจะมีช่องว่างตรงไหนอีกที่จะให้หัวใจเรามันเคยไปขอจากสิ่งอื่นอ่ะมันไม่มีแล้วออันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอรัชกา ล, าลาบอกว่าเราทุกคนจะกลับไปหาพระจะกลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นผู้ที่เราจะต้องกลัวผู้ที่เราจะต้องขอเพื่อใครคนที่เราจะกลับไปหาเวลาที่เราตายเรากลับไปหาสิ่งที่เราเชื่ไหม เวลาที่มนุษย์ตายอ่ะเวลาที่มนุษย์จะกลับไปหาใครกลับไยหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองในมุมไหนแง่มุมไหนมันไม่มีสิทธิ์เลยมนุษย์ที่จะไปชี้ริกกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ละฮาวล่าวะลาฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺนี่คือความจริงแต่ปรากฏว่าความจริงนี้เป็นความจริงที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบ <laughs> มันไม่ตรงกับใจ มันไม่ตรงกับภาวะนักสูมันไม่ตรงกับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ตัวเองได้รับในโลกตัว น, นี้เพนะราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเต๋อฮีเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการศรัทธาต่อ a ล l a h Taala เปลียนพระองค์เดียวโอ้ไร่คนรับไม่ได้ น, ะนี่อายะ ท, ที่45 Allah Taala าาบอกเองนะว่า إذا دُكِرَ اللَّهُ و َ ح ْ د ه อิชมาอัลละตัลุบุลลัฎินาลาอิอุมินุนับิลอาขิรเวลาที่เราพูดถึง l l a h เพียงพระองค์เดียวไม่ถึงพูดเรื่องเต้าฮีพูดเรื่องการสักกาต่อ Allah เป็นยังไงอิชมาอัลละอิชมาอัลละก็คือขยันยัรู้สึกรู้สึกไม่ย่ากระอักรวใครที่กระอักกระอ่วนเวลาที่พูดถึงการัาต่อ a l a h อิลลัฎินาลาอิอมนนบิลอาิร คนที่ไม่ศรัทธาวันอัคคีรอห์คนที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องกลับไปหา Allah กลางวันวันอัคคีรอห์นี่ก็ไม่อยากฟังพรฟังเรื่องนี้ปุ๊บเอ่อมันมันมันไปขัดกับความรู้สึกมันไปขัดกับความชอบมันไปขัดกับอารมณ์อาวานัสุตัวเองอยากจะใช้ชีวิตในโลกดุนลกนี้แบบไม่มี Allah เพราะมี Allah เลยมันอ๋อพอใช้ชีวิตในดุกนี้แบบมี a ล l a h เลยมันทําอย่างโน้นก็ไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้บาปโน้นก็ทําไม่ได้บาปนี้ก็ทําไม่ได้ Kurang, tumpulah Allah. Waktu itu kurang Allah ni, dia tak boleh buat apa-apa, tak senang. Jadi, nanti waktu bercakap tentang Allah, tentang akhirat, akan rasa apa? Berak, berawan. Tidak, tidak ingin dengar, tutup mulut, tutup mata, tutup semua. Ingin berada bersama setan. Inilah orang-orang yang tidak berakun. Inilah orang-orang yang tidak berakun. อิามุเยสตบชิรแต่เวลาที่เราพูดถึงอะเวลาที่พูดถึงอย่างอื่นพูดถึงโต๊ะนั้นพูดถึงโต๊ะนี้พูดถึงเจ้านั้นพูดถึงเจ้านี้น เ, นนเอาเลยเอาชอบเอ้ยเวลาที่บอกบอกแนละ้วไม่ไม่ยอมกลับไปหา Allah แต่ไปหาสิ่งอื่นนอกจาก Allah นี่ไปหาได้หมด <laughs> นอกจากอื่นๆเจ้ากรรมในเวรกี่คนกี่รายกี่คนก็ไปหาหมดแต่เจ้ากรรมที่แท้จริงคือใครเจ้าชีวิตที่แท้จริงคือใครอัลลอฮ์ سبحانه และทําไมไม่กลับไปบ้างนี่สุบฮานอัลลอฮ์ะนะคนที่กําลังเจอกับเหตุการณ์ที่มีความรู้สึกนู่นนั่นั่น มีหมดรวบรวมมาหมดเลยกี่ชาติกี่ชาติแต่เวลาพูดถึงอัลละฮ์ไม่เอาลฮอัลลอละะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอฮลลอฮ์อลอฮ์อัลอฮ์ัลลอ์อัลลอฮอลลี่์อัลลอฮ์อาลลอฮ์อัลลอา์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอฮ์ัลลอฮ์อัลลอฮอลลอลออั คนที่ฉีดเขามีอะไรอยู่ในหัวเนี่ยบางทีเราเข้าไม่ถึงเราเราไม่รู้เราเร า, เราไม่รู้เขามีอะไรอยู่ในหัวสักทีนึ่งอะไรพระเราเราเร า, เรามันจะวิเคราะห์ยังไงแต่ว่ า, าอลาตอลาตตาลาไมบอกลอตตาลาบอกแต่เราจะไปเหมือนกับว่าเราจะไปเข้าถึงความรู้สึกเขาอย่างไงเนี่ยมันอพูดไม่ถูกคือเรามองเห็นชัดชัด เราเข้าใจเพรา ะ, ราะาลัะธิลาบอกและเราก็เข้าใจเราก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาแต่แรกเราอาจจะไม่รู้เรื่องใช่ัหมต้องถามคนที่มีไหมคนที่แบบว่าตลอดทั้งชีวิตอยู่กับชีริกและเขากลับตัวมีไหมเราอยากจะฟังเรื่องราวของเขาว่าตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในสภาพชีริกเนี่ยเขาใช้อะไรคิด <c oughs> เราอยากจะรู้ตรงนั้น เราเนี ه, เ่ยทำเลยละนะครับทำตัวเลยละเราไม่เคยผ่านไอ้เรื่องราวแบบนั้นมาบางทีเราก็นึกไม่ลึกไม่ออกว่าทําไมคนที่ชีริกมันถึงยอมทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ตัวเองชีริกได้นะอ่ะหนาวตัวบินละแล้วเอาแว่ละปวดใจละบินละแล้วทําไมเวลาที่พูดถึงอัลลอฮ์แล้วมันฟังไม่ได้เพราะอะไรทําไมมันหนักตรงไหนเชียวเวลาที่พูดถึงอัลลอฮ์นี่มันไม่มันไม่อะไรเราไม่เข้าใจตรงนี้ คนเอละลละปิดหัวใจเขาไม่ให้มีเตาหี่แต่ว่าชีริกมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาใช้อะไรคิดเนี่ยเราอยากจะอยากจะฟังเขาพูดอย่างนี้บ้างนะเอาตัวเป็นไดลล้มันชัดเจนมากอะอัลกุรอ า, านพูดชัดเจนมากแล้วบอกเนี่ยเหมือนกับว่าผ่าตัดเลยผ่าตัดที่เห็นคนที่กำลังเจอสภาพนี้อยู่ว่าออข้างในของคนที่มีชีริกเนี่ยมันคืออย่างนี้นะมันเป็นแบบนี้สภาพเขามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ล ا ل โละ ل ละก็ว่ ا อิล ل าอิลล่ ل อาลลอฮ์เมื่อีนน้าหน้าอุบะบิ ب ์มันอ ن ชิร์คอาลลอฮ ل เมื่อีนน้าหน้าอ ع บะบิค์มันอิชิ ل ์คบิค์เชียร์นั ي งเลมและอัลตอฟิรุคลิาลห้เราสี่อยู่บนเส้นทางแห่งการศรัทธาแห่งการทูติยต่อพระองค์ เราไม่รู้จริงๆนะครับว่าคนที่ชีริกเนี่ยในหัวของเขานี่อัดสุมไปด้วยอะไรถึงปลดออกยากเหลือเกินอัลลอฮบิลละห ล, ละวะ์เาละละตัวใจลบิลลาห์ลองทบทวนดูนลครับอัลกุรอานุลแครถมาอยากจะรู้ความจริงต้องเรียนอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานแล้วเราจะได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่เอาเราเองจะเป็นผู้ที่ เสียประโยชน์นะครับและทบทวนเรื่องเต้าฮีรูบูบียความสามารถต่อง Allah سبحانه าละเต้าละเราชัดเจนในเตาฮีรูบูบียะแล้วมันก็จะนําเราไปสู่เต้าฮีบูโลพีการที่เราจะต้องมอบตัวเองให้กับ Allah และอย่าได้เป็นเหมือนกับสภาพของบรรดาคนที่ชีวิตอยู่แต่กับ شرك นะอุบัติ Allah l a ะ a w a l a wala t a ล a t i l l a h คนที i i Allah, ah. id, Allah, ่มีช er, ah. kind of ีวิตอยู่กับชิริกเวลาที่พูดถึงอัลลอฮ์เขาจะมีความทุกข์เราคนที่มีเตวีดคนที่มีศรัทธาเวลาที่พูดถึงอัลลอ์เราจะมีความสุขเวลาที่เราเจอความทุกข์เราหนีจากมรคลุกทั้งหมดกลับไปหาอัลลอ์เราจะมีความสุขนี่คือผู้ศรัทธาผู้ที่มีอัคีดะที่ถูกต้องต่ออัลล์ซุบฮานะฮลาอัลลอฮมิ ل ن م ن برحمتك يا أرحم الراحمين والله تعالى عالم وسقى الله إياكم لما يحب ويرضى ا صل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ع م ا يصفون و س ل ا م على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركات ه